พึงพากันตั้งใจชีวิตของคนเรานี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงพระพุทธเจ้าสอนให้คนเรานึกถึงชีวิตอยู่เสมอเสมอไม่เห็นยิ่งนอนใจเพราะอะไรเพราะ ถ้าบุคคลได้ไปนิ่งนอนใจไม่นึกถึงชีวิตแล้วมันประมาทมันสำคัญว่าตนจะอยู่ในโลกนี้ไปได้นานจากไม่ตายง่ายแล้วก็เพลิดเพลินปล่อยให้ตันหามันครอบงำจิตใจสร้างวิมานบนอากาศปรุงแต่งคิดจะไปหาเงินหาทอง จะหาราภายดให้ได้อย่างนน้นอย่างนี้อืนี่มันสร้างวิมานบนอากาศความคิดนั่นคิดได้แต่ว่าทําไม่ได้ทําให้คนเราเป็นโศกเป็นโรคประสาทเยอะแยะผู้ที่สร้างวิมานบนอากาศทั้งนี้และทั้งนั้นก็นึ่งมาแต่ความเป็นผู้ไม่รู้จัก เหตุปัจจัยแห่งชีวิตของตัวเองตอนเองมีบุญน้อยทำบุญกุศลมาน้อยแล้ววันนี้เห็นเขาร่ำรวยมั่งมีมากมายอย่างนี้ตนก็นอยากรวยอยากมั่งมีกับเขากรนดิ่สแสวงหาคิดอ่านวางโครงการเอาจน ไม่ได้หลับได้นอนคิดยังไงมันก็ไม่สมหวังเพราะว่าบุญของตนน้อยก็เลยกลายเป็นคนเสียจริตไปมีอยู่เยอะแยะ <c oughs> <c oughs> ถ้าบุาคคลใดมานึกถึงชีวิตนี่มันมีน้อยนิดเดียวหนึ่งแล้วนั้นความตายนั้นหลีกไม่พ้นสักคนเลยอย่างี้ถ้ามันนึกถึงบ่อยๆเขา้า ตัณหาความทะเยอทะ ย, ยานอยากต่างๆมันก็ต้องเบาลงความอยากมันก็เบาลงไม่ทราบว่าจะอยากไปอะไรนักหนามันตาย <c oughs> ตายแล้วมันต้องทอดทิ้งอะไรถอดอะไรไปในโลกนี้ทุกอย่างไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปเลยแล้วโลกนี้ก็ ตนก็ไม่ได้อยู่อาศัยอะไรพอได้ดมนานอะไรสักหน่อยก็จากไปแล้วทำไมยังชอบมาเกิดในโลกนี้ยิ่งนะักก็ต้องตั้งปัญหาถามตัวเองดูแล้วเกิดมาแล้วได้อะไรกับโลกอันนี้อย่างนี้คนคิดดูให้ละเอียดทีทวนจริงอยู่ ถ้าผู้เกิดมาดีเกิดมาแล้วเป็นผู้ได้ศึกษาเป็นผู้มีวิชาความรู้มีปัญญาก็สามารถที่จะทำคุณงามความดีให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในตนได้สามารถที่จะละความชั่วได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้ ถ้าหากว่าไม่ไมเพียนละความชั่วทำความดีแล้วชีวิตนี้ก็ไม่ไมีความหมายอะไรเลยเพราะว่ากรรมดีกรรมชั่วนี่นะมันเป็นศัตรูต่อกันและกันชีวิตของคนเราที่อยู่ตรงกลางดีกับชั่วขนาบสองข้างอยู่ ถ้าหากว่าดีมีกำลังมากความชั่วก็ถอยไปถ้าความชั่วมีกำลัำลงมากกว่าความดีก็ถอยไปชีวิตของคนผู้ที่วนเวียนเกิดตายอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละดังนั้นมัน จึงไม่มีอย่างอื่นใดเพราะพรุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนในคนเรานั้นกระทำคุณงามความดีเกิดมาแต่ละชาตินี่ต้องบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประ ม, มาท <c oughs> การบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั่นแหละได้ชั่วเป็นการสั่งสมบุญสั่งสมกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตอน เมื่อทำความดีไปจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วนั้นถึงจะได้ยุติจากการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ต่อไปอีกนี่ต้องะระลึกไว้ต้องให้เข้าใจไว้จุดหมายปลายทางของชีวิตนะอันบุคคลผู้มัวเมาประมาทแล้วก็ยอมทนทุกทรมานอยู่ในวัฏสงสารนี่นาน ต้องไปตกนรกหมกไหม้ต้องไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานผู้ประมาทนี่หมายถึงคนทำความชั่วใส่ตัวเองเมื่อทำความชั่วใส่ตัวเองแล้วที่ไม่ปรารถนาความทุกข์มันก็ต้องได้แน่นอนเป็นอย่างนั้นพูดง่ายๆว่าความชั่วนี่แหละ ทำให้คนเราวนเวียนเกิดตายอยู่ในโลกอันนี้ไม่รู้จักจบจบลงไม่ได้ <c oughs> ถ้าหากว่าบุคคลใดมารู้ตั่วอย่างนี้แล้วคิดละความชั่วออกจากกายวาจาใจให้มันหมดไปซะแล้วตั้งหน้าทําแต่ความดีเรื่อยไปอย่างนี้นะการที่จะมาวกเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้ไปนมนัานนั่น ขึ้นไปไม่ได้บุญกุศลความดีเนี่ยจะส่งชีวิตจิตใจของคนเรานี้ให้สูงขึ้นไปโดยลำดับเปยงนั้นบางคนเกิดมานี่ไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยก็มีแต่ว่ามีน้อยเต็มทีนั่นแหละไม่เคยทำความชั่วห้าอย่างนั้นก็มี ผู้ที่เป็นเช่นนั้นน่ะแสดงว่าผู้นั้นน่ะแต่ชาติก่อนก็เคยตั้งเกตนางดเว้นมาแล้วจากกรรมชั่วเหล่านั้นอบรมจิตใจจนติดนิดสัยจนเป็นผู้มีเมตตากรุณามากอยู่ในจิตใจเลยเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาจนถึงชาติปัจจุบันก็เลยทำแต่ความดีเรื่อยๆไป คนเช่นนั้นนะแล้วก็ไปเกิดที่ดีด้วยบุญกุศลมันส่งผลให้ไปเกิดในที่ตระกูลมีสินมีธรรมเด็กชนก็พลอยได้บำเพ็ญบุญกุศลไปเต็มความปรารถนามันพร้อมทุกอย่างถ้าบุญตกแต่งให้แล้วนะถ้ามีทั้งบุญทั้งบ า, งบาปปิดตามข น, นานกันมาแล้วนั่นแหละมันลำบาก นาระยะใดที่บาปมันให้ผลก็ขัดข้องและชีวิตเลยเดือดร้อนกันถึงความวิบัติต่างๆนานาคราวใดบุญให้ผลค่อยชั่วหน่อยชีวิตก็ค่อยเจริญงอกงามไปแต่มันไม่สม่ำเสมอดังกล่าวมานั่นเลย อ, อันนี้แน่มูลเหตุที่จะให้คนเรา ห่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นลงได้แต่คนผู้ที่มีกิเลสหนามันไม่กลัวไม่กลัวความตายออมันไม่กลัวต่อความแก่ความเจ็บป่วยไข้เพราะเพราะอะไรลนะ่ะเพราะกิเลสตัณหาเนะ่ะมันฉาบทาจิตใจให้หนา ไม่เหตสะดุ้งหวาดกลัวอย่างนั้นแหะไม่ไม่กลัวก็ไม่กลัวแต่เมื่อบาปกรรมมันนําไปสู่นรกอาบายภูมิแล้วเมื่อได้ตกนรกหมกไม่อยู่ไปนั่นน่ะถึงจะรู้ตัวได้แบบนี้อะจะกลัวยังไงมันก็หลีกไม่พ้นแล้วบาปมันอานวยผลให้แล้วอืควรพากันนึกคิดให้ดี <c oughs> ชีวิตของคนเรานี่มันอยู่ในระหว่างบาปกับบุญนะดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยเพราะว่าใจของพุทุชนคนเรานี่มันนั่งมีอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มตั้งชีวิตขึ้นมานั่ น, นคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีบ้างไม่ชั่วบ้างถ้ามันคิดดีนะ ถ้ามันคิดมากๆเข้าไปในอภิธรรมท่านกล่าวไว้ว่าถึงเจ็ดขณะจิตแล้วก็เป็นอนุ่าทํ า, าดีได้เลยเช่นอย่าว่าคิดจะให้ทานอย่างนี้นะถ้าความคิดมันเกิดขึ้นติดๆิดกันถึงเจ็ดครั้งแล้วก็ให้ทานได้เลยทำบาปก็เหมือนกันนะถ้าจิตคิดจะทาบาปอย่างนี้ถ้ามันคิดขึ้นถึงเจ็ดขณะจิตแล้วก็ ตัดสินใจทาบาปได้เลยเป็นอย่างนี้อันนี้นะ่ะจิตใจของบุตุชนคนเรานะให้รู้ตัวกันบันดนี้เราได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วพ ร, พระพุทธศาสนาสอนให้คนเราฉลาดบัดนี้ให้รู้จักปรับปรุงจิตใจตัวเองนี่ให้มันตั้งอยู่ในกุศลธรรมอย่างเดียวอย่าให้มันเอ็นไปทางอากุศลธรรม เราเพียรพยายามอบรมจิตใ้สละทิ้งซึ่งบาปกรรมต่างๆมอ้ย mm hmm. ไม่ยึดไม่ถือเอามันไว้ mm hmm. กำมูลเหตุของบาปกรรมต่างๆก็เคยพูดมาแล้ว mm hmm. พระพุทธเจ้ากระทรงแสดงไว้แล้วแต่คนเราหากไม่ค่อยสนใจกัน mm hmm. ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมูลเหตุมาทั้งนั้นเลยดีก็ดีชัวว่วก็ดี อันซึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีเหตุนี้ไม่มีสักอย่างในโลกสนิวตัตอันนีนะ้มันมีเหตุมาก่อนแล้วมันจึงเกิดขึ้นเป็นลูกเป็นร่างขึ้นมาเป็นเลืองเป็นราวต่างๆขึ้นมาก็อย่างนี้แหละความโลภมันก็เป็นมูลเหตุอันหนึ่งให้คนเราทำบาปานี่นะี่ความโกรธมันก็เป็นมูลเหตุอันหนึง่ง ความหลงก็เป็นมูลเหตุอันนึงให้คนเราทำกรรมชั่วใส่ตัวเองอมันไม่นอกเหนือไปจากมูลเหตุสามประการนี่หรอกความจริงเนี่ยเรามาศึกษาเรื่องมูลเหตุสามประการนี้ให้มันแจ่มแจ้งในใจอย่าเพียงแค่ว่าจำแต่ตัวหนังสือได้เท่านั้นมันไม่สำเร็จประโยชน์ไอ มูลเหตุทั้งสามประการนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ดวงจิตนี่ไม่ได้เกิดที่อื่นดังนั้นบุคคลผู้ภาวนาเนี่ยเมื่อเพ่งจิตเข้าไปสงบแล้วย่อมมองเห็นได้เลยความโลภนี่ถ้าจะพัฒ น, นามันก็นะว่ามีมากมายอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแหละเช่นอย่างว่ารับประทานอาหารมากเกินควรนี่ นี่ก็เป็นความโลภอันหนึ่งเรียกว่าโลภในอาหารถ้ารับประทานมากเกินควรนี่ยไธาตุมันย่อยไม่ไหวมันก็ทำลายกระเพาะลำไส้เกิดท้องอืดท้องเฟ้อท้องร่วงเข้าไปได้รับทุกขเวทนานั่นแหละ <c oughs> เอานอนมากเกินไปอย่างนี้มันก็เป็นความโลภในการนอน นอนมากเกินประมาณก็ทำให้กลายเป็นคนโง่ไม่มีหัวคิดปัญญาอะไรทำมาหากินก็ไม่ทันเพื่อนอธรรมดาคนที่เศร้าหานอนง่วงเหงาหานอนนี่เป็นคนสิ้นคิดไม่มีความคิด อ, อย่างนี้แหละมันก็ทำให้บุคคลพนนั้นมีชีวิตตกต่ำลงไป นั่นเรียวว่าโลภในการนอนตกต่ำทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าปัจจุบันก็ไม่ไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญด้วยโภาคาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอต่าง ม, มัวแต่เกียดคร้าน ง, ง่วงเหงาหานอนอ่อนแออยู่นั้นทำการงานอะไรก็ไม่เข้มแข็งทำงานไปนอยหนึ่งแล้วมามพักนอนเสีย ตื่นขึ้นมาแล้วจึงค่อยไปทำงานแล้วอย่างนี้มันจะได้การได้งานอะไรฮะนี่มันเป็นอย่างนั้นนั่นคนโลภในการนอนก็มีแต่ทางเสื่อมเมื่อมันเสื่อมจากพอค่าสมบัติในปัจจุบันนี้แล้วมันก็เสื่อมจากกุศลสมบัติในโลกหน้าต่อไปเพราะคนไม่มีสมบัติไม่มีหลักฐานอะไรอย่างนี้จะเอาอะไรมาทำบุญกุศลอ่ะ จะมาเข้าวัดเข้าว่าฟังเทศฟังธรรมอบรมจิตใจอะไรกับเพื่อนฝูงได้อะไม่มีก็อ้างแต่ว่าตนเป็นคนทุกข์ตนเป็นคนจนอยู่อย่างนั้นแล้วนี่แหละคนโลภในการนอนนะอแล้วโลภในที่อยู่ที่อาศัยอย่างนี้ก็ดีก็เมื่อตนนั้นอะ มีบุญน้อยวาสนาน้อยมีเงินน้อยอา้าวไปกรสร้างบ้านหลังใหญ่ๆเอาที่ดินไปจำนองเอาเงินธนาคารมาสร้างบ้านใหญ่โตมโหฬารผลสุดท้ายไม่มีเงินจะใช้ดอกเขาดอกก็ท่วมขึ้นท่วมขึ้นไปอ่าเอาละตนเองก็เดือดร้อนเลยเป็นอย่างนี้ถ้าเหลือบากรางกินเขาก็ยึด ทรัพสมบัติอันนั้นขายทอดตลาดเอาเลยก็เลยกลายเป็นคนจนคนอนาถาไปมีโยธมไปคนโรคที่อยู่อาศัยเป็นอย่างนั้นคนโรคในหยุกยาแก้โรคใครไข้เจ็บไม่รู้จักประมาณในการกินยา หมอเขาบอกว่าให้กินขั้งละเม็ดก็ไปใส่สักสองเม็ดสามเม็ดเข้าไปอย่างนี้นะอยากให้มันหายเร็วๆ เ, เ, ออเป็นอย่างนี้บ้านี้กำลังธาตุของตัวเองมันสู้อำนาจยาไม่ไหวยามันออกฤทธิ์ก็เอาทำให้ร่างกายวิบัติแปรปวนไปโรคภัยก็ยิ่งกำเริบใหญ่ซ้ำแก้ไม่ได้ก็ตายมีถมไป คนขยันมากเกินประมาณอยากทําการงานไม่หยุดไม่หย่อนอยากแข็งแรงไม่อยากให้จิบปวดเส้นปวดเอ็นเอาไปซื้ อ, อยากาไก่ซื้ อ, อยาทําใจมาใส่กระเป๋าเสื้อไว้ทํางานไปพอมันเหนื่อยแล้วก็เอานะ้ำชีเข้าใส่ปากเข้าไปกินเข้าไป อ, อยากออกฤทธิ์หายเหนื่อยทํางานต่ออเอ ไปเรื่อยๆทีนี้นะเมื่อยามันรวมกำลังกันวงมากเข้าไปแล้วมันให้ผลภายหลังเกิดหัวใจวายตายเลยมีอยู่มากมายอย่างนี้โรคในการกินอยู่กินยาไม่รู้จักประมาณนะหมอเขาแนะนำให้กินเพียงห่อเดียวแล้วก็วันหนึ่งสามเวลาสามห่ออย่างนี้มันซัดเอาหกห่อไปด้วย ในอย่างนี้นะคาริว่าโลภในการกินอยู่กินยามันก็เป็นอันตรายต่อชีวิตนี่แหละมอนี่เรียกว่าพูดถึงความโลภอันไม่รู้จักประมาณเช่นเมื่อมีเงินมีทองมามากแล้วได้เงินมามากเท่าใดความอยากได้สิ่งของต่างๆแล้วก็ยิ่งปัดดังประเดเข้ามา เอานาฬิกาเรือนละแสนก็ซื้อมาผูกข้อเข้าไปอ ย, อย่างนี้แหละผ้านุ่งผ้าห่มที่เขาลือกันว่าปนิบรนจงสวยงามมากราคาเป็นหมืนม่นๆก็ซื้อมาใส่เข้าไปไอ้โมนี้เขาเรียกว่าโรคในเครื่องหนุ่งเครื่องหม่มเครื่องประดับตกแต่งก็ผลสุดท้ายก็ทำให้ทรัพสมบัติที่มีมากมายเหล่า น, นั้นชีพหายลง ไม่มีเหลือ <c oughs> นี่คนไม่รู้จักประมาณในการใช้การจ่ายสมบัติต่างๆหมดนี่ก็เพราะความโลภความอยากได้ไม่รู้จักอิม่มไม่รู้จักพอนี่เองเป็นมูลเหตุคนเราเมื่อเสียเงินเสียทองไปมากๆแล้วจิตก็เป็นอกุศลขึ้นมาแล้ว อ่เป็นเหตุให้ไปโลภไปเพ่งเล็งช่อโกงหลอกลวงที่ปล้นเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเข้าไปเมื่อมันจนมุมเข้ามาและจิตเป็นอกุศลไปอย่างนั้นนะนั่นบนันทีความโลภมันลามออกไปข้างนอกและะ้วบันทีนะมันไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเข้าไปไปเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเข้าไปเอ้าบุคคล โลภในการพูดการจาอย่างนี้เมื่อเข้าสังคมเข้าไปแล้วนันคนนึกในใจว่าคนอื่นจะพูดก่อนเราเราจะต้องเอาก่อรผู้นั้นจะต้องแต่งคำพูดพูดไม่หยุดไม่ยัง้งไม่ไม่ให้โอกาสแก่คนอื่นพูดเลยพอแต่ตนได้พูด มากเท่าไดยิ่งดีใจไม่เปิดช่องให้คนอื่นบ้างคนอื่นเขาก็รังเกียดเอาที่นี่นะนั่นแหะเขาหาทางขัดขวางเข้าไปตนก็ได้รับความเดือดร้อนนี่เลีย ว, ว่าโลภในคำพูดคนพูดมากก็โกหกมากอย่างนี้เลยก็ทำความชั่วใส่ตัวเอง ธรรมดาคนพูดที่ฉลาดมันก็รู้จักระยะเวลาที่ควรพูดไม่ควรพูดเวลาเข้าสังคมตนพูดบ้างแบ่งให้คนอื่นเขาพูดบ้างอย่างนี้แหละพูดพอสมมาสมควรการค้านอะไรกันอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะไปค้านเอาจนหน้าดำหน้าแดงเรื่องต่างๆหัวนี้นะมันก็ ขึ้นอยู่กับความรู้จักพอดีสมเหตุสมผลกันถ้าหากว่าเรื่องใดมันยุ่งยากจริงๆมันแก้ไม่ตกก็ยกไว้ก่อนไม่ต้องไปเถียงกันให้หน้าดำค่ำเครียดจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยไม่เป็นธรรมนี่ในทางธรรมนะท่านพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ต้องให้รู้จักประมาณในการพูดการจาไม่โลภในการพูดการจานี่แหละถ้าพันธนานเรื่องเรื่องความโลภแล้วนะแต่สรุปใจความแล้วก็เรียกว่าความไม่รู้จักพอหมาะพอดีในการทําในการพูดในการคิดมันเลยขอบเขตไปนั่นแหละท่านเรียกว่าเป็นความโลภพึงพากันเข้าใจกลงกันข้าม ความเป็นผู้รู้จักความพอดีในการทำในการพูดในการคิดกิจการต่างๆทั้งภายนอกทั้งภายในเช่นนี้นะท่านจัดเรียกว่าเป็นวัชถิมา <c oughs> เป็นวัชถิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติสายกลางไม่ตรึงเกินไปและก็ไม่หย่อนยานเกินไปพอดิพอดี จุดประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพุทธบริษัททางหลายนั้นมุ่งให้พุทธบริษัทดำเนินตามทางสายกลางอย่างนี้เพราะฉะนั้นในฐานะเราเป็นบริษัทของพระองค์แล้วก็ให้พึ่งพากระคํหนึงถึงทางสายกลางดังกล่าวมานี่ในการทําในการพูดในการคิดอ อย่าให้มันกลายเป็นความโลภความโกรธความหลงไปอันความโกรธก็เหมือนกันเนี่ยความโกรธนี่มันก็หมายถึงความเพ่งเลงไปในบุคคลอื่นและสิ่งอื่นนั่นเองเนี่ยถ้าหาว่ามันไม่เพ่งเลงไปอย่างนั้นมันก็ไม่โกรธนะนั่นแหละเมื่อมันไปเพ่งเลงบุคคลใดคนหนึ่งแล้ะมันวิตกละ คนคนนี้น่าเกลียดจริงๆ อ, อย่างนี้น่มันถึงได้โกรธขึ้นมานี่ความเพ่งเลงอันนั้นอ่ะท่านก็จัดว่าเป็นความโลภเป็นความโลภในความโกรธเป็นอย่างนั้นเรนนี้ถ้าหาว่าเราเพ่งเลงกันด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมอย่างนี้มันก็ไม่จัดเป็นความโกรธ เรามองกันด้วยสายตาที่ประกอบไปด้วยเมตตาปรารถนาความสุขให้แก่กันและกันโดยฐานที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเช่นนี้นี่นับว่าเป็นเมตตาธรรมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นพุทธศาสนิกชนนี่นะขอให้มองกันด้วยจิตเมตตาอย่าไปมองกันด้วยอำนาจแห่งความโกรธความเกลียดชัง ต่างๆอันนั้นไม่ถูกทางไม่เป็นทางแห่งความสุขความสบายไม่เป็นทางแห่งความสมัครสมานสามัคคีกันเลยเป็นทางให้ทะเลาะวิวาดทิถียถงกันเราอยู่ร่วมกันแม้ไม่ได้อยู่ร่วมกันก็ตามไปสังคมกับคนเหล่าอื่นก็ตามก็ขอให้พากันเจริญเมตตามไมตรีจิตภายในจิตใจ เมื่อเราเข้าไปสู่สังคมใดๆให้แผ่เมตตาจิตไปสู่สังคมนั้นๆให้นึกว่าคนเหล่านั้นเป็นมิตรเป็นญาติของเราเป็นเพื่อนร่วมสูกร่วมทุกข์กันในสงสารไม่ใช่ใครอื่นไกลทําความรู้สึกนึกคิดในใจอย่างนั้นแล้วจึงเข้าไปสู่สังคมนั้นๆอย่างนี้่จะไม่ได้รับความรังเกียจจากสังคมเลยคนผู้นั้นนะ สังคมจะยินดีต้อนรับเต็มที่แต่ที่นี้คนบางคนไม่เข้าใจนำธรรมะเหล่านี้ไปใช้เมื่อเข้าไปในสังคมใดๆก็ทำตัวเป็นคนแข็งกระด้างนึกว่าตนและคนหนึ่งตนละเป็นคนผู้รู้ผู้ฉลาดคนหนึ่งเป็นคนมีความสามารถคนหนึ่ง อย่างนี้ก็ทำความรู้สึกแข็งกระด้างต่อสังคมคอยแต่ว่าใครจะมาว่ากับเรามาว่าเรามาตีเตียนเราเราจะไม่ยอมมีแต่ตั้งใจอยู่อย่างนั้นผู้ใดมาทำใจอย่างนั้นเข้าสู่สังคมยอมจะไม่ได้รับความนิยมจากคนหมู่มากจะเป็นที่รังเกียจของคนหมู่ใหญ่ เพราะฉะนั้นในฐานะเราเป็นชาวพุทธพึ่งพากันเจริญเมตตาจิตนี้ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไปอยู่คนเดียวก็เจริญเมตตาเมื่อไปสู่สังคมใดๆก็ต้องเจริญเมตตาตั้งคิดปรารถนาให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขโดยทั่วกันไปอยู่อย่างนั้น อย่าได้ปรารถนาให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนเลยนี่แหละทางมัชสิมาปฏิปทาทางสายกลางที่พระพุูิธีพเก้าทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทบำเพ็ญไม่ว่าครือขัดไม่ว่านักบวชก็มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดเลยเพราะถ้าหากว่าใครไม่มาฝึกผลอบรมจิตให้เป็นกลาง ดำเนินตามทางที่ถูกต้องดังกล่าวมานี่แล้วผู้นั้นก็จะพ้นทุกขไปไม่ได้เลยแม้จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่กี่ชาติกี่ภพก็ไม่มีทางพ้นทุกขไปได้เพราะว่าจิตใจที่ไม่เป็นกลางนี่มันลำเอียงไนงะเมื่อมันลำเอียงไปข้างรักข้างชังข้างโกรธข้างพยาบาทไปแล้วอย่างนี้มันเป็นเนิให้ไปเบียดเบียบนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น การทำบาปนั่นก็คือการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นเองไม่ไม่ใช่หมายอย่างอื่นลองคิดดูนั่นแหละมีเรื่องเบียดเบียนนี่นะคือการทำบาปนะจะมีอะไรเล่านั่นหลยถ้านั้นเมื่อเรามาเจริญเมตตากรุณาให้แก่กล้าขึ้นในใจจนว่าใจสงบเป็นสมาธิจนใจสงบตั้งมั่นลงได้ด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมนั้น แล้วเจริญปัญญาวิปัสสนาต่ออันนี้ก็นะว่าเป็นทางชำระกิเลสให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้การเจริญสมถะนี่ไม่ใช่ว่ามีแต่ไปบริกรรมพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นหรอกความจริงนะการเราเพ่งเมตตาจิตนี่นะจนว่าใจสงบลงได้นี่มันก็สำเร็จเป็นสมถะภาวนาเหมือนกัน แล้วนามีซ้ำยังให้ความโกรธนั้นเบาบางเอาอไว้จากกิจใจทําให้ความโกรธอ่อนกําลังลงทีนี้เมื่อเรามาเจริญวิปัสสนาเข้าไปเช่นอย่างว่าบุคคลที่เป็นโทสะจริตคือมีความโกรธออกหน้าออกตากโกรกขี้เลอ็อื่นๆมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนอย่างนี้นะ ถ้ามาเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วหยิบยกเอาเรื่องความโกรธนั้นมาพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลแห่งความโกรธว่ามันไม่ดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรบ้างเห็นแจ้งด้วยปัญญาตามเป็นจริงได้อย่างนีนะ้มันสามารถที่จะถอนรากของความโกรธนั้นออกได้เลยสรุปลงแล้วว่าการที่จิตใจมันจะผูกโกรธผูกใจเจ็บกับใครต่อใครไว้นี่ มันก็เนื่องมาแต่มันยึดมั่นถือมั่นในขันห้าตัวเองนี่แหละขันห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่มันสําคัญว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นของของตนแล้วไม่ไม่ต้องการจะให้ใครมานินทาว่าร้ายเบียดเบียนไม่ไม่ต้องการให้ใครมาว่าคําไม่พออกพอใจอะไรให้เพราะมันห่วงห่วงขันห้านี้นั่นแหละเมื่อผู้มาเจริญปัญญาวิปัสสนาให้เกิดขึ้นแล้ว มาจับเหตุนี้ได้ก็ปล่อยวางขันห้านี่ลงสอนใจให้ปรงให้วางขันห้านี่อย่าให้มันถือว่าเป็นตัวเป็นตนของตนกำหนดรู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงอย่างก็กำหนดความรู้ความเห็นอันนี้ให้แจ่มแจ้งในใจเป็นเสมอเสมอไม่เช่นนั้นแล้วมันก็ไม่ทันกับความหลงเวลาเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆกระทบกระทั่งมา เอามันก็เกิดความไม่พอใจเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ความรู้ความเห็นในขั้นนี้ไม่ใช่ว่ามันยังมันไอ้ยืนตัวอยู่ได้ยังก่อนเราต้องรักษาเมื่อบำเพ็ญได้เกิดขึ้นแล้วนะยืนเดินนั่งนอนต้องกำหนดรู้กำหนดเห็นอยู่ในใจอย่างนั้นเสมอไปให้เห็นว่าใจของเรานี่เปี่ยมอยู่ด้วยเมตตากรุณาอยู่อย่างนั้นให้เห็นว่าขันห้านี่ไม่ใช่ของเราของเขาอยู่อย่างนั้น เมื่อมันเห็นอยู่ยนี่มันรู้มันเห็นอยู่อย่างนี้นะหากว่าสมมุตินะว่ามีใครมาด่าว่าตีเตียนเข้าไปอย่างนี้มันจะสอนตัวเองในใจเลยว่าเขาไม่ได้ด่าเราหรอกเขาด่าขันห้าหนั่นเถอะขันห้าไม่ใช่ของเราเอา้าด่าไปว่าไปนี่พอเมื่อมันเตือนตนได้อย่างนี้แนละ้วมันก็ยุติลงไม่ตอบโต้นั่นแหละจึงสามารถถอนรากแขงความโกรธความพยายาม ออกจากกิจใจได้ถอนรากแหงความโลภความไม่รู้จักพอดิบพอดีดังอธิบายให้ฟังมาโดยลำดับนั้นได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้